จิตที่เป็นกุศลบางดวงมีปัญญาบางดวงไม่มีปัญญาวงเล็บเปิด6มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการภาวนาไม่ได้ภาวนาตั้งแต่เช้ายันค่ำนะเราภาวนาเป็นขณะขณะเมื่อไรมีสติรู้รูปนามลงปัจจุบันนะรู้ขณะนั้นด้วยใจที่เป็นกลางเห็นไตรลักษณ์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นเรียกว่าภาวนาแล้วฉะนั้นเวลามีสติมันจะมีเป็นขณะขณะเราก็รู้รูปนามได้เป็นขณะขณะ ขณะที่ไปรู้รูปนามจิตยังมีสองชนิดเลยจิตชนิดหนึ่งเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์จิตอีกชนิดหนึ่งรู้เฉยๆฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลบางดวงมีปัญญาบางดวงไม่มีปัญญาดวงที่มีปัญญามีชื่อเพราะเจียวว่าในเครื่องหมายคําพูดมหากุศลจิตญาณสัมปยุตดวงที่ไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดมหากุศลจิตญาณวิปยุตนี่มีสตินะ ถ้าขาสติไม่ใช่กุศลมีสติแล้วยังมีสองแบบเลยบางดวงมีปัญญาบางดวงไม่มีปัญญาสั่งไม่ได้หรอกดวงไหนจะมีปัญญาดวงที่มีสัมมาสมาธิดวงที่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเกิดปัญญาดวงไหนจิตถล่มเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์ดวงนั้นจะไม่มีปัญญาแต่จะกลายไปเป็นสมถะฉะนั้นเวลาเรารู้ลมหายใจถ้าจิตมันแยกออกมาเห็นร่างกายหายใจอยู่จะมีปัญญาเห็นว่า ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตมันแยกอยู่มันจะเห็นเลยกิเลสทั้งหลายผ่านมาผ่านไปกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานี่ใจมันตั้งมั่นอยู่แล้วมันจะเห็นจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงนี่มีปัญญาอยู่กุศลชนิดไหนไม่มีปัญญากุศลที่จิตถลำไปเพ่งอารมณ์ไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์เช่นดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้อง ตัวนี้เป็นกุศลนะมีสติแต่ไม่มีปัญญาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ารู้หมดเลยนะเท้ากระดิกอย่างไรรู้หมดเลยจิตไหลไปอยู่ที่เท้าถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นไม่มีปัญญาทําไมหลวงพ่อกล้าชี้ขาดว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วไม่มีปัญญาเพราะพระอภิธรรมสอนเอาไว้เราภาวนาเรามาเห็นด้วยการปฏิบัติแล้วเราก็ทดสอบด้วยปริยัติได้ในอภิธรรมสอนเอาไว้เป๊ะเลยบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปิดเครื่องหมายคำพูดถ้าใจไม่ตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะไม่มีปัญญาถามว่าเป็นกุศลได้ไหมเป็นได้มีสติได้ไหมมีได้แต่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาใจที่ไม่ตั้งมั่นคือใจที่ไหลเข้าไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์รู้ลมหายใจไปอยู่ที่ลมรู้ท้องพองยุบใจไปอยู่ที่ท้องรู้เทา้าใจไปอยู่ที่เทา้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับใจลอย ถ้าใจลอยเป็นอกุศลไม่รู้กายไม่รู้ใจแล้วใจลอยหลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตไหลไปอย่างนั้นไม่ใช่สมถะเพราะไม่มีสติสมถะต้องมีสติแต่เป็นสติที่จิตมันจ่อลงไปแนบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อไรจิตไปเพ่งอารมณ์เป็นสมถะถ้าเมื่อไรจิตหลงไปลืมกายลืมใจก็ใช้ไม่ได้เลยถ้าเมื่อไรมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลาง จิตมันมีสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางอันนี้ถึงจะใช้ได้ฉะนั้นเราต้องมีสตินะดูของเราไปอย่าทิ้งการมีสติรู้กายรู้ใจเพราะสติปัฏฐานนี่แหละคือทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นใครจะมาอ้างว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยแล้วบรรลุเองอย่างนั้นหมาก็บรรลุสิไม่ปฏิบัติแล้วบรรลุได้หมาแมวในวงเล็บมันก็บรรลุไปหมดแล้ว บรรลุไม่ได้นะต้องลงมือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยหมายถึงว่าความอยากทําเกิดขึ้นให้รู้ทันสิ่งที่ทํามีอันเดียวคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี้แหละทําเท่านี้อย่างอื่นไม่ต้องทําแล้วที่บอกไม่ต้องทําไม่ต้องทําหมายถึงส่วนใหญ่จะนั่งเพ่งไปเพ่ ง, เ พ, งเพ่งไว้นะ หลวงพ่อบอกว่าให้เลิกไปเลยไม่ต้องทำแล้วก็ทำผิดนะ่ะจะไปทำทาไมทําถูกต้องทำไหมต้องทำต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางตั้งมั่นแล้วมันถึงเป็นกลางถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานบางคนนะไอ้โนทนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไม่เอาไปทุกอย่างเลยเอาอย่างเดียวคือเอาความไม่เอา เคยมีนะสมัยพุทธกาลบางคนไปบอกพระพุทธเจ้ารู้สึกชื่อสุนักขตตะฤชวีบอกว่าอันนี้อะไรก็ไม่สมควรกับข้าพระองค์ทั้งสิ้นเลยคือพวกที่ไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเออะก็ไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไอ้นอนท์ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาวาทะใดๆคือทฤษฎีการปฏิบัติใดๆก็ไม่สมควรแก่ข้าพระองค์ทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าอย่างนั้นวาทะที่ว่าจะไม่เอาอะไรเลยก็ไม่ควรแก่ท่านเหมือนกันนี่หงายหลังไปเลยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องจับหลังให้แม่นแล้วก็ตั้งใจภาวนาขยันดูกายดูใจไป